ญญข้อหกร้อยเจ็อสิบก็ภิกษุณีใดกำหนดพึงยินดีการจับมือยินดีการที่ชายผู้กำหนดจับมุมสังคาติยืนเคียงคู่กันกันกบชายสนทนากันไปที่นัดหมายยินดีการที่ชายมาหาเดินตามเข้าไปสู่ที่รับหรือน้อมกายเข้าไปเพื่อคลุกคลีกันด้วยกายนั้นเพื่อจะเสพอสัธรรมนั้นกับชายผู้กำหนด แม้ภิกษุณีนี้เป็นปาราชิกชื่ออัฏธฐธวุฒธธกาหาสังวาดไม่ได้เรื่องภิกษุณีชัพพคขีจบ